คืนก็ล่วงไปล่วงไปมันเอาชีวิตเราไปด้วยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรจะให้มันแจ่ฟีๆไปงั้นเลยใช้มันเจ็บมันตายไปฟรีๆรอวันนั้นมาถึงเราเท่านั้นหรืออะไรเอ่ที่มันจะวิเศษที่จะมันดีที่จะให้สิ่งเหล่านั้นไม่มีอำนาจแก่เราเราก็ต้องนแนละมาปฏิบัติธรรมี่และจะมีสติทุกเมื่อนจุฬาจะตามไม่ทัน พระเจ้าสอนพระโอกราดัแล้วก็ได้ยินแล้วนามาปฏิบัติหรือไม่อันสิ่งที่พระพุทธองค์พระาศาสนาเราทรงสองสนมีศักขีพยานไม่หลักมีฐานมีเหตุมีปัจจัยจึงไหนทําได้เป็นสัจธรรมจรึงไหนทําไม่ได้ไม่เป็นสัจธรรมเป็นสมมติปัญญ์ออปล่อยมันไปนั้นเลิกได้ชีวิตของเหล่านี่ วันหนึ่งนาทีหนึ่งเราจึออางไงเราจะปล่อยให้เหตุไปเจอต่างๆมาครอบํำยับยีเรามันก็ไม่มีประโยชน์ชีวิตเราพวกเรามีโอกาสมากเป็นนักบวชอยู่วัดวารามก็มีหน้าที่อย่างนี้โดยตรงงานโดยตรงของพวกเราจะไปทํามันดื่นแม้ทำเมันดื่นเถินเช่าขึ้นมา ตีสามตีสี่ 3, 4, พากันลูกมาทำวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมไปบินธบาดเตรียมสถานที่กที่ฉันบินธบัดบินธบัดเวลาขบลายฉันร่างบาดกับปฏิของตนอะไรที่มันเป็นตัวสติกับการใช้ชีวิตเราเน่ยเราทำได้เราก็ทำเลยเหตุปัจจัยอาการต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นกับการกัดใจเราเอามันมาใช้ประโยชน์ อันผิดก็มาเป็นประโยชน์อันถูกก็เป็นประโยชน์ผิดกับตัวเองผิดกับสิ่งอื่นวัตถุน์ตามเหตุตามฤดูกาลฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเหลือบยุงลมแดดและจัดเล่ขานอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะมันจะมีอะไรก็อ่อเป็นตัวปฏิบัติธรรมนายใช่ประโยชน์ดีก็รู้ ไม่ดีก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้พอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้ไม่ต้องเลือกง่าเลยอะไรจะมาเรามีหลักของเราแล้วมีสติแล้วมีหลักฐานมั่นคงมีลูปมีนามมีอายตนะายนอกายในมีปสะการเห็นมีความหลงมีความรู้ไม่ใช่เราโง่เราจะต้องรู้ มันมีอะไรเกิดขึ้นว่นาตัวลูกเป็นเลด้าตรวจสอบแล้วก็เลด้าตาข่ายในประเทศต้องกันประเทศแต่ที่ต้องฟ้าเนี่ยมันมีตาข่ายมันด่างแห่ทุกตารางนิ้วระหว่างประเทศเขาก็ตรวจสอบอะไรที่มันเข้ากายเข้ามาสติของเราเนี่ยมันปานนั่นแหละปลอดภัยทั้งกับตรวจสอบ จะไปทุกไปโกรธไปโลภไปหลงไปผิดไปถูกได้งไงมันจะเห็นเฮ้ยเรามีเราผึกหัดมาแล้วถ้าไม่หัดมันก็พัดไปแล้วก็ลไยคข่มดีผูผูแผลแบลเหมือนจบไม่มีลากลอยไปตามน้ำพัดไปทางไหนก็ไหลไปไมดีก็พัดไปทุกทิศทุกทางชีวิตของเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นให้มันมั่นคง ตัวสติไปให้มั่นคงจนไม่เกิดไม่เจไม่เหยียบไปตายเราต้องฝึกตัวเองวิธีฝึกแล้วก็สมบูรณ์แบบมีรูปมีกายมีการเคลื่อนไหวใช้กายได้สารพัดอย่างทำดีได้ทำชั่วได้ละความชั่วได้ทำความดีได้เอาไปใช่อะไรกายของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเอาอะไรไปใช่ใจใจของเราวันหนึ่งวันหนึ่ง แล้วมีสิ่งที่ใช่แล้วมีทั่วรู้มีความรู้สึกตัวเอามาใช้เอากายมาใช้ให้มันเจริญงอกงามในเรื่องนี้จึงมีวิชากรรมฐาน<ม>ซึ่งมาสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของพวกเราไปจนทำใหม่มันมนุษย์สมบัติแจ้วเสลปฏึกชีวิตของเรานะี่ไม่มีท่วมไม่มีแรงไม่มีอานาจมาทำให้กายใจเราที่มันจะเป็นประยัางอื่นได้ อาชีพของนักปฏิบัติอาชีพที่สมบูรณ์ไม่เหมือนอาชีพของอันเด่นต้องพึ่งปัจจัยอันเดินอาชีพของนักปฏิบัติมีสติมีกายมีใจเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งอะไรพึ่งกรรมพึ่งการกระทาการกระทาเราก็ทำาเองได้มีงานทำตลอดเวลาแม้เราไม่เจตนาทํามันก็ให้เราทําต้องเอามาเป็นประโยชน์ต้องหายใจเข้าหายใจออก ไม่หายใจไม่ได้ก็ต้องยืนเดินนั่งนอนไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนไม่ได้ไม่ขับไม่ถ่ายไม่ได้ไม่กินไม่ได้มันมีให้เราทําเอามาใชิให้เกิดความรู้สึกตัวสารพัดอย่างอยู่บ้านก็กายใจของเราอยู่วัดก็กายใจของเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เรามันจึงพอตัวมากความดีอย่าไปม่วไปคนอื่นความชั่วอย่าไปโทษคนอื่น ให้กับมาดูตัวเองมามีสติมีสมัญญะมาฝึกหัดมาดูมาเห็นให้มันมีศิลปะมีกีฬาเรื่องนี้เรื่องการใช้ชีวิตของเราคนเดินสอนเราก็มีเราสอนตัวเราก็มีที่สอนตัวเราอยู่ทุกเวลานาทีคือเราเนี่แหละตัวสตินี่แหละไม่มีใครที่จะให้เราได้เรื่องนี้นอกจากเราเองจึงมั่นใจอย่างมากเลย ละความชั่วกันทำความดีการทำให้ทุกแม้ทุกเกิดขึ้นก็ไม่ต้องทุกหลงเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหลงโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ต้องโกรธสิทธิความเป็นธรรมหาได้ในกายในใจหาได้ในตัวเราไมไปเศร้าหมองทำไมไปร้องไห้ทำไมไปวิตกกังวลทำไมจึงต้องไปอีบียดเบียนตนทำไมจึงต้องเบียดเบียนคนอื่นมันมีประโยชน์บ้าง ทำตัวเราอย่างเดียวมีประโยชน์ตนประโยชน์ทุนอื่นประโยชน์แจกโลกประโยชน์แจกพระศาสนาทั้งภพนี้หรือภพหน้าจะเป็นภพนี้ภพหน้าก็คือการกระทำของเราผู้ที่ไม่รู้ชัดแจ้งในเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยมีวิธีทำบนอุทิศจากนั่นจากนี้เปิดเครื่องขยายซึ่นเงินเส้นทองข้าววัวข้ า, ข า, ข ว, าวกวยมันก็หลงไปวชวนคนอื่นให้หลงก็ม ถ้าทำถูกไม่ต้องยากปนานั้นทำมูลเทสในกันแต่เมื่อตายไปแล้วยังมีชีวิตยอยู่ไม่ค่อยทำให้กันเลยทำให้กันหรือทำเก่าให้มันมีอยู่ทุกคนแล้ ว, ลวก็ไม่ต้องพึ่งพาใัยบุญกุศลจากคนอื่นงั้นมีแล้วตอนหลวงพ่อใจจะขาดสั่ ง, าางอาจารย์สมหมายสั่งอาจารย์ตุ้มสั่งอาจารย์นุษสั่งอาจารย์อเนก อย่ามาชักบางสุขุนนะตายคนเวลาตายมาจักบางสุขุนนิจาวัสังฆาลาเห็นจบหลวงห่อนั่งอยู่นอนอยูอ่ไม่ต้องเนะแม่แต่เผาเขอยากไปแต่งหุ่นอะไรบางทีเขาแต่งหุ่นใส่เป็นหญิงเขาผ้าถุงไปให้เสื้อไปให้ใส่าทาตาเอาเงินบาทไปทําตาทําจมูก ทั้งทุกส่วนอวัยวะต่างๆนั่นอย่าไปทำเรามันสูงกว่านั่นแล้วคนก็ยังไม่รู้เลยไหมน่าจะรู้กันทุกคนแล้วบุญเกินเลยบาปเกออินเลยกุศลมาเกินเลยศาสนามาเกินเลยพุทธศาสนาคืออย่างไรพระพุทธเจ้าคืออย่างไรพระธรรมคืออย่างไรพระสงฆ์คือไดแล้วก็ว่ากันทุกวันตอบได้ทุกวัน รูปคบอยู่ทุกวันแต่มันไม่มีในใจเราทำไมจึงไม่มีเพราะเราไม่ทำให้มันมีไม่ได้น้อมมาไม่ได้นำมาปฏิบัติเกิดพุทธะมันเกิดได้ไงไม่มีพุทธะมันมีอะไรเหตุปัจจัยเะยต้องรู้ชีวิตของเราไม่รู้พุทธะไม่รู้พระพุทธธรรมพระสงฆ์มันไม่ได้หรอกไม่รู้บุญรูปบบบไม่ได้ไม่รู้ศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้ ชีวิตของคนเรามัน่ว้างใหญ่ไพศาลไม่เหมือนจัดรอกสารจะตกเป็นทาตเป็ญชีค่าปานนั่นหรือเหมือนหลวงพ่อไปอินเดียไปเห็นเขาใช่สัตว์ใช่ชา้าใช่มา้าใช่อูดใช่วัวใช่ควายใช่ลาให้ทางานให้ขนให้ดันโล่ดันรถขนของขนอ้อยตัวมันเล็กๆตีเอา เจ็บอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บอันคนที่ใช่เขาก็าไม่รู้ไม่มีความเมตตาสงสารกันเอาใจเอาความเห็นทิฏฐิของตนไปทํากับสิ่งอืน่นวัตถุอืน่นจนเดือดร้อนคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้ธรรมะแล้วมันเดือดร้อนอะไรก็เดือดร้อนไม่ว่าแต่สัตว์สาระสิ่งแม้แต่แผ่นดินป่าไม้แน้ําอากาศเสียหมดเลย เราจึงมารู้ตัวเองนี่มันก็จะรู้อะไรการรู้ตัวเองนี่และงานสร้างสตินี่มาเห็นไหมมาดูกายไหมมาดูเวทนาไหมมาดูจิตไหมมีทําอะไรเกิดขึ้นไปกุศลกุศลจรมาในกายในใจเราบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางที ก, ท ก, งทก็รู้บางทีก็หลงมันมาได้แต่พุทโธหรือไม่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเลือนที่จะต้องเลือกสรร อะไรต่างๆภายนอกทุกทิความชอบธรรมให้มันเกิดแจกเราเกิดแจกคนอื่นอย่าเบียดเบียนตนอย่าเบียดเบียนคนอื่นตอนนั้นไอ้อต้องไปสอนเลเขาไม่เบียดเบียนเขาให้เขาไม่เบียดเบียนคนอื่นจึงมีเรื่องเดียวเท่านี้ชีวิตเราเรื่องมาดูตัวเองมาช่วยตัวเองมารักษาตัวเองมามีสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอะไรมันของเรา ไม่มีใครรู้เท่ากับเรามันหลงเรารู้มันรู้เรารู้มันถูกมันทุกเรารู้ต้องรู้อย่างนี้อันรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญาโอบรู้ในกองสังขารอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาไปเที่ยวอินเดียไปเที่ยวโลบโลกไปศึกษาสถันต่างๆอันนั้นก็ใช่แต่ปัญญาที่เป็นพุทธะจริงๆมันต้องรู้เรื่องชีวิตจิตใจของเรารอบรู้ตรงนี้แปดหมืนสี่พันอย่างที่เกิดขึ้นจากการจากใจเราเน่ยแล้วก็ เป็นผลกระทบตัวเราไม่พอเป็นมันกระทบภายนอกไปอีกถ้าเราไม่รู้นะมันได้จะทำกันได้แล้วคนในโลกแนะ่ก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเห็นข้าราวีกันทบลาข้าฟันกันแจ้งชิงกันเบียดเบียนกันจนไม่มีอะไรที่จะปกติได้จึงช่วนกันเถอะพวกเราเนาะช่วยกันเถอะอย่าปฏิเจตจะทอดทิ้งกัน อาจารย์ก็สอนเราก็สอนสิ่งเวดล้อมก็สอนเราธรรมชาติสอนเราตลอดเวลาอาจารย์ก็สอนเราโยเราก็สอนเราอย่าปฏิเสธจัดสรรเปลี่ยนแปลงสิ่งลายเป็นดีแต่พื้นแตพื้นไปอย่าไปปล่อยรละเลยอะไรพอช่วยกันได้ดูอะไรเห็นอะไร ให้มันเป็นปัญญาอย่าให้มันเป็นความโง่สติมันกำเนิดเกิดปัญญาคุมกำเนิดเกิดปัญหาได้มีใจปัญญามีสติถ้ามีความหลงกับมีแต่ความโง่มันก็ไว้เหลือมิใสยที่เราจะทำได้ไม่เหมือนจับมดแดงใส่กระท้งแต่มอดแดงไต่ขอบกว่าด้องอย่าไปคิดว่ามันยากขนาดนะั้นบางคนก็บน เมื่ออยู่วัดดีไปอยู่บ้านไม่ดีอุ้ยมันไม่ใช่หรอกยิ่งดีใหญ่จิ่งเห็นอะไรยิ่งดีใหญ่เห็นอะไรที่มันเป็นหายิ่งดีใหญ่มันยิ่งสูงมันน้ํา ม, มันนั้นตรลอยเหนือน้ําตลอดเวลาเอานา้ําใส่เท่าไรน้ําลึกหนึ่งนิ้ว น, มม น, น, น, น้ํน า, มมนามันก็เหนือน้ำหนึ่งนิ้วน้ำลึกสิเมตรน้ำมันก็เหนือน้ำสิบเมตรนั้นไม่จม อันสติปัญญาเราเนี่ยมันไม่เสียหายไม่เสื่อมไม่มีความเสื่อมเลยถ้าเราเห็นแจ้งในเรื่องชีวิตจริงๆน่ยไม่เสื่อมเป็นนามธรรเรื่องมรรคผลที่ผ่านไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายกับใครเนี่ยเป็นสมบัติของเราแท้ๆใส่ใจสักหน่อยผลขวายสักหน่อยแี่เราทำมาเรื่อก็เป็นเรื่องของเรื่องนี้ อย่ามาเชื่ออย่ามาไม่เชื่อก็พูดที่เขาพูดเรื่องของตัวเราของตัวทุกคนถ้าเชื่อเชื่อตัวเราถ้าไม่เชื่อก็ไปเิื่อตัวเราเราหลงก็ไปเฉื่อความรู้ก็ไม่เป็นไรเราหลงไม่ไปเฉื่อความรู้ความรู้ไม่แค่ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเราเราทุกเรารู้สึกตัวเราเปลี่ยนควทุกข์เป็นความรู้เป็นเรื่องของเรา เมื่อเวลเราทุกข์เราไม่มีความรู้จากตัวเราไม่เปลี่ยนความทุกข์นอนอยู่กับความทุกข์อะไความทุกข์ย่ำยีก็ไม่เป็นไรเป็นตัวของท่านเองพระพุทธเจ้าจึงเป็นแต่เพยียงผู้บอกส่วนการกระทำเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตทุกท่านทุกคนเพราเราเลือกได้เรื่องนี้หัดตัวเองนะถ้ามีความรู้ก็จะเห็นความหลงตรงกันข้ามเลือกได้สัมผัสได้ ไม่มีใครเป็นเรื่ อ, องออความหลงถ้ามีความรู้ถ้าคงารู้มีมันเกิดความทุกข์ไม่มีใครแปลความทุกข์เพราะเปลี่ยงความทุกข์เป็นความ ร, ามรู้อย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัปธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสละสมเรื่องนี้ไว้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขโขโผลปุเจ้าจะอยู่ผู้สละสมซึ่งความ ร, สสมามรู้เป็นความสุขในโลกผู้สะสมความหลงก็เป็นความทุกข